บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสอนที่เปี่ยมล้นไปได้วยความเมตตาของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อชาสุภะโทที่มอบให้แก่ชาวโลกทั้งหลายอันเป็นปรัชญาชีวิตและความลับของธรรมชาติที่ทุกคนควนรรู้ควรเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อความสงบสุขแห่งชีวิตชุดโพธิยาณธรรมบทนำเรื่อง อาจารย์ชาสุพัทโทถือกำเนิดในครอบครัวใหญ่ในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อย่างเขาวัยรุ่นท่านได้บรรพชาเป็นสมณีนและเมื่ออายุได้ยี่สิบปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาในระยะเริ่มแรกของการเป็นพระภิกษุนั้น ท่านอาจารย์ชาสนใจและใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้ด้านปริยัตอยู่มากท่านศึกษาทั้งปริยัติธรรมและภาษาบาลีต่อมาท่านได้หันมาสนใจในธรรมปฏิบัติท่านได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์ทางด้านนิหลายองค์ซึ่งอยู่ทางภาคนี้ ท่านได้ทุดงไปตามที่ต่างๆตามแบบของพระป่าผู้สันโดษเป็นเวลาหลายปีนอนในป่าบ้างในถ้ำบ้างหรือตามป่าชาบ้างและครั้งหนึ่งได้มีโอกาสกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาธุระ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในยุคนั้นซึ่งแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ท่านก็ได้รับความสว่างทางปัญญาอย่างยิ่งในการฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นหลังจากที่ได้ทุดงไปตามที่ต่างๆและปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นเวลาหลายปี ก็ได้มีผู้กราบเรียนนิมนต์ท่านให้พักที่ดงป่าพงใกล้หมู่บ้านอันเป็นถิ่นกําเนิดของท่านในสมัยนั้นที่ป่าแห่งนี้ยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของงูพิษร้ายเสือและปีศาจซึ่งท่านพระอาจารย์เห็นว่า สถานที่เช่นนี้แหละเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระป่าท่านจึงได้รับนิมนต์พักอยู่ณที่ป่าพงนั้นต่อมามีพระสงฆ์ชีและชาวบ้านพากันมาฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นทุกทีจึงไม่ช้าณนะป่าพงแห่ น, นี้เอง ก็ได้กลายเป็นวัดใหญ่ขึ้นปัจจุบันนี้มีสานุสิทธิ์ของท่านสั่งสอนอบรมธรรมะแก่ผู้สนใจปฏิบัติอยู่ตามวัดสาขาต่างๆกว่า90สิบแห่งวัดสาขาเหล่านั้นอยู่ตามภูเขาบ้างตามป่าบ้างทั่วประเทศไทยและขยายไปถึงประเทศอังกฤษ บรรดาผู้ที่ไปแวะเยี่ยมวัดหนองป่าพงย่อมจะประทับใจในความสงบสงัดซึ่งมีอยู่ทั่วบริเวณวัดนั้นและเห็นป้ายติดไว้ที่ทางเข้าว่าโปรดสงบเรากำลังปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันมีวันละสองครั้งและบางครั้ง ท่านพระอาจารย์ก็แสดงธรรมเทศนาด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นชีวิตประจำวันทีเดียวพระสงฆ์ต่างทำงานด้วยตนเองเย็บและย้อมสบงจีวรเองและทำงานที่เกี่ยวเฉพาะตนอย่างอื่นๆตลอดจนการรักษากุฏิเสนาสนะของวัด และปัดกวาดลานวัดให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอประสงค์ที่วัดนี้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแบบพระป่าฉันอาหารมื้อเดียวและฉันในบาทสมบงจีวรและเครื่องใช้มีอยู่อย่างจํากัดกุติสง์ตั้งอยู่ห่างๆกันในราวป่าเพื่อให้ปฏิบัติ ภาวนาได้อย่างสงบมีทางเดินตามใต้ต้นไม้สำหรับเดินจงกรมที่นี่ต้องรักษาระเบียบวินัยเคร่งครัดมากเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตของพระกรรมฐานที่สันโดษเรียบง่ายอันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติภาวนาให้เป็นไปด้วยดี ยิ่งขึ้นและเป็นการรักษาคุณธรรมความดีของหมู่คณะด้วยวิธีการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์ชานั้นง่ายง่ายแต่ลึกซึ้งจึงเป็นที่ประทับใจของชาวตะวันตกมากมีชาวต่างประเทศมาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นจำนวนไม่น้อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จนกระทั่งท่านได้สร้างวัดป่านานาชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ใกล้ๆกับวัดหนองป่าพงเพื่อเป็นที่ฝึกปฏิบัติของพระต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่สนใจในการมีชีวิตอยู่อย่างพระและนับจากนั้น สิทธิ์ชาวต่างประเทศรุ่นแรกๆ ก, ก็ได้เริ่มเผยแผ่ธรรมะไปยังประเทศตะวันตกท่านพระอาจารย์ชาเองก็ได้เดินทางไปเผยแผ่ที่ยุโรปสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสงครั้งและได้จัดตั้งวัดสาขาขึ้นที่คิดเฮิร์สซัสเซ็กซ์ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นวัดสาขาที่เจริญรุ่งเรืองมากสาขาหนึ่งท่านพระอาจารย์ชาได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาสภาพการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายของพระป่าไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนในยุคปัจจุบันได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมอันจะเป็นทางให้เกิดความฉลาด และเกิดปัญญาในการดำรงชีวิตต่อไปในการที่ธรรมสภาได้นมัสการน้อมอันเชิญพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ชา มาจัดทมเผยแพร่ในครั้งนี้ก็ได้ความปรารถนาดีและหวังประโยชน์จะเกิดขึ้นจากการกระทาในครั้งนี้เพื่อความเจริญแพร่หลายแห่งธรรมะและความเจริญงอกงามแห่งปัญญาจากบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนตลอดกาลนานบุญกุศล อันจกมันเกิดขึ้นจากการกระทำในครั้งนี้ขอน้อมถวายแด่ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อชาสุภโตพระผู้เมตตาแก่ชาวโลกทุกชาติทุกศาสนาเทินด้วยความสุจริตและหวังดีจากธรรมสภา พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทรเรื่องการทำจิตให้สงบ การทำจิตให้สงบคือการวางให้พอดีตั้งใจเกินไปมากมันก็เลยไปปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึงเพราะขาดความพอดีธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่งเป็นของมีกริยาไหวตัวอยู่เรื่อยฉะนั้นจิตใจของเราจึงไม่มีกำลังการทำจิตใจของเราให้มีกำลังกับการทำกายของเราให้มีกำลัง มันต่างกันการทำกายให้มีกําลังก็คือการออกกําลังกายทำกายบริหารมีการกระโดดการวิ่งนี่คือการทำกายให้มีกําลังการทำจิตใจให้มีกําลังก็คือทำจิตให้สงบไม่ใช่ทำจิตให้คิดนั่นคิดนี่ไปต่างๆให้อยู่ในขอบเขตของมันเพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบ ไม่เคยมีกําลังมันจึงไม่มีกําลังทางด้านสมาธิภายในบัดนี้เราจะทําสมาธิก็ตั้งใจให้เอาความรู้สึกกําหนดอยู่กับลมหายใจถ้าหากว่าเราหายใจสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปก็ไม่พอดีไม่ได้สัสดได้ส่วนกันไม่เกิดความสงบเหมือนกันกับเราเย็บจักร ผู้เย็บจักรมีมือมีเทา้าเราต้องถีบจักเปล่าดูก่อนให้รู้จักให้คล่องกับเท้าของเราเสียก่อนจึงเอาผ้ามาเย็บการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันหายใจเฉยๆกำหนดรู้ไว้จะพอดีขนาดไหนยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนจะให้ค่้อยขนาดไหนแรงขนาดไหนจะยาวก็ไม่เอากับมัน จะสั้นก็ไม่เอากับมันจะค่อยก็ไม่เอากับมันเอาตามความพอดีเอายาวพอดีเอาสั้นพอดีเอาค่อยพอดีเอาแรงพอดีนั่นชื่อว่าความพอดีเราไม่ได้ขัดไม่ได้ค้องแล้วก็ปล่อยหายใจดูก่อนไม่ต้องทำอะไรถ้าหากว่าจิตสบายแล้ว จิตพอดีแล้วก็ยกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หายใจเข้าต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดืออันนี้เป็นแหล่งการเดินลมเมื่อหายใจออกต้นลมจะอยู่สะดือกลางลมจะอยู่หัไทยปลายลมจะอยู่จมูก นี่มันสลับกันอย่างนี้กำหนดรู้เมื่อลมผ่านจมูกผ่านฮะทใยผ่านสะดือพอสุดแล้วก็จะเวียนกลับมาอีกเป็นสามจุดนี้ให้ความรู้ของเราอยู่ในความเวียนเข้าออกทั้งสามจุดนี้พยายามติดตามลมหายใจเช่นนี้เรื่อยไปเพื่อรักษาความรู้นั้น และทำสติสัมปชัญญะของเราให้กล้าขึ้นเมื่อหากว่าเรากำหนดจิตของเราให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมดีแล้วพอสมควรเราก็จะวางเราจะหายใจเข้าออกเฉยๆเอาความรู้สึกของเราไว้ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนที่ลมผ่านออกผ่านเข้า เอาแต่ความรู้สึกเท่านั้นไว้ที่นั่นไม่ต้องตามลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้ามาเอาความรู้สึกหรือผู้รู้นั่นแหละไว้เฉพาะหน้าเราที่ปลายจมูกให้รู้จักลมผ่านออกผ่านเข้าไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพียงแต่ให้ความรู้สึกเท่านั้นแหละ ให้มีความรู้สึกติดต่อกันลมออกก็ให้รู้ลมเข้าก็ให้รู้ให้รู้อยู่แต่ที่นั่นแหละรู้แล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องคิดเอาเพียงเท่านั้นเสียก่อนในเวลานี้หน้าที่การงานของเรามีแค่นั้นไม่ได้มีมากกำหนดลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นแหละ ต่อไปจิตก็สงบลมก็จะละเอียดเข้าไปน้อมเข้าไปกายก็จะเบาเข้าไปจิตก็จะสงบไปความเบากายเบาใจนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจะเป็นกายควรแก่การงานและจะเป็นจิตควรแก่การงานต่อไปนี่คือการทำสมาธิ ไม่ต้องทำอะไรมากให้กำหนดเท่านั้นต่อไปนี้ให้ตั้งใจทำกำหนดไปจิตเราละเอียดเข้าไปการทำสมาธินั้นจะไปไหนก็ช่างมันให้เรารู้ทันเอาไว้ให้เรารู้จักมันมันก็มีทั้งอารมณ์มีทั้งความสงบคลุกคลีกันไป มันมีวิตกวิตกคือการจะยกจิตของตนนึกถึงอันใดอันหนึ่งขึ้นมาถ้าสติของเราน้อยก็จะวิตกน้อยแล้วก็มีวิจารคือการตรวจดูตามเรื่องที่เราวิตกนั้นแต่ข้อสำคัญนั้นต้องพยายามรู้ให้ทันอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาให้ลึกลงไปอีกให้เห็นว่า มีทั้งสมาธิและมีทั้งความรู้รวมอยู่ในนั้นองค์ประกอบของความสงบคำว่าจิตสงบนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันต้องมีมีความสงบครอบอยู่ท่านกล่าวถึงองค์ของความสงบขั้นแรกว่าหนึ่งมีวิตก ยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีวิจารคือพิจารณาตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาต่อไปก็จะมีปิติคือความยินดีในสิ่งที่เราวิตกไปนั้นในสิ่งที่เราวิจาร์ไปนั้นจะเกิดปิติคือความยินดีทราบซึ้งอยู่โดยเฉพาะของมันแล้วก็มีสุข สุขอยู่ไหนสุขอยู่ในการวิตกสุขอยู่ในการวิจารสุขอยู่กับความอิ่มใจสุขอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแหละแต่ว่ามันสุขอยู่ในความสงบวิตกก็วิตกอยู่ในความสงบวิจารก็วิจารอยู่ในความสงบความอิ่มใจก็อยู่ในความสงบ สุขก็อยู่ในความสงบทั้งสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์อันเดียวอย่างที่ห้าคือเอกคตาห้าอย่างแต่เป็นอันเดียวกันคือทั้งห้าอย่างนี้เป็นอารมณ์แต่มีลักษณะอยู่ในขอบเขตอันเดียวกันคือเมื่อจิตสงบวิตกก็มี วิจารก็มีปิติก็มีสุขก็มีเอกักคตาก็มีทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เดียวกันคำที่ว่าอารมณ์เดียวกันนั้นทำไมจึงมีหลายอย่างหมายความว่ามันจะมีหลายอาการก็ช่างมันเพราะอาการทั้งหลายเหล่านั้นจะมารวมอยู่ในความสงบอันเดียวกัน ไม่ฟุง้งซ่านไม่รำคาญเหมือนกับว่ามีคนห้าคนแต่ลักษณะของคนทั้งห้าคนนั้นมีอาการเดียวกัน คือจะมีอารมณ์ทั้งห้าอารมณ์เมื่ออารมณ์อันนั้นอยู่ในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าองค์องค์ของความสงบท่านไม่ได้เรียกว่าอารมณ์ท่านเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกขตารมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นอารมณ์ตามธรรมดา ท่านจึงจัดว่าเป็นองค์ของความสงบมีอาการอยู่ห้าอย่างคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไม่มีความรําคาญวิตกอยู่ก็ไม่รําคาญวิจารอยู่ก็ไม่รําคาญมีปิติก็ไม่รําคาญมีความสุขก็ไม่รําคาญ จิตจึงเป็นอารมณ์เดียวอยู่ในสิ่งทั้งห้านี้จับรวมกันอยู่เรื่องจิตสงบขั้นแรกจึงเป็นอย่างนั้นปัญหาของการทำสมาธิทีนี้บางอย่างอาจถอยออกมาถ้ากำลังใจไม่กล้าสติหย่อนไปแล้วมันจะมีอารมณ์มาแทรกเข้าไปเป็นบางครั้ง คล้ายๆกับว่าเคลิมไปแล้วมีอาการอะไรบางอย่างเข้ามาแทรกตอนที่มันเคลิ้มไปแต่ไม่ใช่ความง่วงตามธรรมดาท่านว่ามีความเคลิ้มในความสงบบางทีก็มีอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาเช่นว่าบางทีมีเสียงปรากฏบ้างบางทีเหมือนเห็นสุนัขวิ่งผ่านไปข้างหน้าบ้างแต่ว่าไม่ชัดเจน และก็ไม่ใช่ฝันอันนี้จัดเป็นฝันไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะกำลังทั้งห้าดังกล่าวแล้วไม่สม่าเสมอกันมันอ่อนลงอ่อนเคลิ้มลงจึงเกิดอารมณ์เข้าแทรกอันนี้เป็นอาการของจิตถ้าหากว่าเรามีความสงบมันก็มีสิ่งห้าสิ่งนี้เป็นบริวารอยู่ แต่เป็นบริวารในความสงบอันนี้เป็นเรื้องแรกของมันขณะที่จิตเราสงบอยู่ในขั้นนี้ชอบมีนิมิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตมันชอบเป็นแต่ผู้ทำสมาธิจับไม่ค่อยถูกว่ามันหลับไหมก็ไม่ใช่ มันฝันไปหรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันเป็นอาการเกิดมาจากความสงบครึ่งครึ่งกลางกลางก็ได้บางทีก็แจ่มใสเป็นธรรมดาบางทีก็คลุกคลีไปกับความสงบบ้างกับอารมณ์ทั้งหลายบ้างแต่อยู่ในขอบเขตของมันอย่างไรก็ตามบางคนทำสมาธิยาก เพราะอะไรเพราะจะริตแปลกเขาแต่ก็เป็นสมาธิแต่ก็ไม่หนักแน่นไม่ได้รับความสบายเพราะสมาธิแต่จะได้รับความสบายเพราะปัญญาเพราะปัญญาความคิดเห็นความจริงของมันแล้วก็แก้ปัญหาถูกต้องเป็นประเภทปัญญาวิมุตตไม่ใช่เจโตวิมุตต มันจะมีความสบายทุกอย่างที่จะได้เกิดขึ้นเป็นหนทางของเราเพราะปัญญาสมาธิมันน้อยคล้ายๆกับว่าไม่ต้องนั่งสมาธิพิจารณาอันนั้นเป็นอะไรหนอแล้วแก้ปัญหาอันนั้นได้ทันทีเลยสบายไปเลยสงบลักษณะผู้มีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้น ทำสมาธินี้ไม่ค่อยได้ง่ายและไม่ค่อยดีด้วยมีสมาธิแต่เพียงเฉพาะเลี้ยงปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้โดยมากอาศัยปัญญาเช่นสมมุติว่าทำนากับทำสวนเราอาศัยนามากกว่าสวนหรือทำนากับทำไร่เราจะได้อาศัยนามากกว่าไร่ในเรื่องของเรา อาชีพของเราและการภาวนาของเราก็เหมือนกันมันจะได้อาศัยปัญญาแก้ปัญหาแล้วจะเห็นความจริงความสงบจึงเกิดขึ้นมามันเป็นไปอย่างนั้นธรรมดาก็เป็นไปอย่างนั้นมันต่างกันหลุดพ้นด้วยปัญญาสมาธิ บางคนแรงในทางปัญญาสมาธิพอเป็นฐานไม่มากคล้ายๆกับว่านั่งสมาธิไม่ค่อยสงบชอบมีความปรุงแต่งมีความคิดและมีปัญญาชักเรื่องนั้นมาพิจารณาชักเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วพิจารณาลงสู่ความสงบก็เห็นความถูกต้อง อันนั้นจะได้มีกำลังกว่าสมาธิอันนี้จริงของคนบางคนเป็นอย่างนั้นแม้จะยืนเดินนั่งนอนก็ตามความตรัสรู้ธรรมะนั้นไม่แน่นอนจะเป็นอริยบทใดก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้อันนี้แหละ ผู้แรงด้วยปัญญาเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะไม่เกี่ยวข้องกับสมาธิมากก็ได้ถ้าพูดกันง่ายๆปัญญาเห็นเลยเห็นไปเลยก็ละไปเลยสงบไปเลยได้ความสบายเพราะอันนั้นมันเห็นชัดมันเห็นจริงเชื่อมัน่นยืนยันเป็นพยานตนเองได้ นิจริ์ของคนบางคนเป็นไปอย่างนี้แต่อย่างไรก็ช่างมันก็ต้องทําลายความเห็นผิดออกเหลือแต่ความเห็นถูกทําลายความฟุ้งซ่านออกเหลือแต่ความสงบมันก็จะลงไปสู่จุดอันเดียวกันบางคนปัญญาน้อยนั่งสมาธิได้ง่ายสงบสงบเร็วที่สุดไว แต่ไม่ค่อยมีปัญญาไม่ทันกิเลสทั้งหลายไม่รู้เรื่องกิเลสทั้งหลายแก้ปัญหาไม่ค่อยได้พระโยคาวจรเจ้าผู้ปฏิบัติมีสองหน้าอย่างนี้ก็คู่กันเรื่อยไปแต่ปัญญาหรือวิปัสสนากับสมถะมันก็ทิ้งกันไม่ได้คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ ทีนี้ถ้ามันชัดแจ้งในความสงบเมื่อมีอารมณ์มาผ่านมีนิมิตขึ้นมาผ่านก็ไม่ได้สงสัยว่าเคลิมไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้หลงไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้ลืมไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้หลับไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้จิตขณะนี้สงสัยหลับ ก็ไม่ใช่ตือนก็ไม่ใช่นีม่มันคลุมเครือเรียกว่ามันมั่วสุมอยู่กับอารมณ์ไม่แจ่มใสเหมือน ก, นกันกับพระจันทร์เข้าก้อนเมฆมองเห็นอยู่แล้วแต่ไม่แจ่มแจ้งมัวมัวไม่เหมือนกับพระจันทร์ออกจากก้อนเมฆนั้นแจ่มใสสะอาดจิตเราสงบ มีสติสัมปชัญญะรอบคอบสมบูรณ์แล้วจึงไม่สงสัยในอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะหมดจากนิวรจริงๆรู้ว่าอันใดเกิดขึ้นมาเป็นอันใด ห, หมดทุกอย่างรู้แจ้งรู้เรื่องตามเป็นจริงไม่ได้สงสัยอันนั้นเป็นดวงจิตที่ใสสะอาดสมาธิถึงขีดแล้ว เป็นเช่นนั้นระยะหลังๆมาก็เป็นไปในรูปอย่างนี้ทํานองนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันถ้าจิตแจ่มแจง้งพองใสแล้วไม่ต้องไปถามว่าง่วงหรือไม่ง่วงใช่หรือไม่ใช่ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรถ้ามันชัดเจน ก็เหมือนเรานั่งธรรมดาอย่างนี้เองนั่งเห็นธรรมดาหลับตาก็เหมือนลืมตาเห็นในขณะหลับตาก็เหมือนลืมตามาเห็นทุกอย่างสารพัดไม่มีความสงสัยเพียงแต่เกิดอัศจรรย์ขึ้นในดวงจิตของเราว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของมันไปได้ มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นของมันได้อันนี้จะวิภาควิจารณ์มันเองไปเรื่อยๆทั้งมีปิติทั้งมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความสงบเป็นเช่น น, นนั้นต่อนน้นไปจิตมันจะละเอียดไปยิ่งกว่านั้นมันก็จะทิ้งอารมณ์ของมันไปด้วยวิตก ยกเรื่องขึ้นมาก็จะไม่มีและเรื่องวิจาร์มันก็จะหมดจะเหลือแต่ความอิ่มใจอิ่มไม่รู้ว่าอิ่มอะไรแต่มันอิ่มเกิดความสุขกับอารมณ์เดียวนี่มันทิ้งไปวิตกวิจาร์มันทิ้งไปทิ้งไปไหน ไม่ใช่เรื่องทิ้งจิตเราหดตัวเข้ามาคือมันสงบเรื่องวิตกวิจาร์มันเป็นของหยาบไปแล้วมันเข้ามาอยู่ในที่นี้ไม่ได้ก็เรียกว่าทิ้งวิตกิ้งวิจาร์ทีนี้จะไม่มีความวิตกวามยกขึ้นวิจาร์ความพิจารณาไม่มี มีแต่ความอิ่มมีความสุขและมีอารมณ์เดียวเสวยอยู่อย่างนั้นที่เขาเรียกว่าปัถมฌานทุติยฌานตัติยฌานจะตุตตฌานเราไม่ได้ว่าอย่างนั้นเราพูดถึงแต่ความสงบวิตกวิจารปิติ สุขเอกคตาต่อไปนี้ก็ทิ้งวิตกวิจาร์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปเหลือแต่ปีติกับสุกเอกคตาต่อไปก็ทิ้งปีติเหลือแต่สุกกับเอกคตาต่อไปก็มีเอกคตา กับอุเบกขามันไม่มีอะไรแล้วมันทิ้งไปเรียกว่าจิตมันสงบจิตมันสงบจิตมันสงบสงบสงบจนไปถึงอารมณ์มันน้อยที่สุดยังเหลืออยู่แต่นู้นถึงปลายมัน เหลือแต่เอกขตากับอุเบคขาเฉยอย่างนี้อันนี้มันสงบแล้วมันจึงเป็นนี่เรียกว่ากำลังของจิตอาการของจิตที่ได้รับความสงบแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ง่วงความง่วงเหงาหาวนอน มันเข้าไม่ได้นิวรณ์ทั้งห้ามันหนีหมดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลอิจฉาพยาบาทฟุงซ่ารำคาญหนีเหล่านี้ไม่มีแล้วนี่มันค่อยๆเลื่อนไปเป็นประยะอย่างนั้นนี่อาศัยการกระทำให้มาก จเจริญให้มากสติสิ่งที่ช่วยรักษาสมาธิสิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสตินี้เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง สตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทําไม่มีความหมายธรรมะคือสตินี้คือความระลึกได้ ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัดธรรมะทั้งหลายถ้าหากว่าขาดสติธรรมะทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์ อันนี้คือการควบคุมการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่แต่เพียงขณะนั่งสมาธิเท่านั้นแม้เมื่อเราออกจากสมาธิไปแล้วสติก็ยังเป็นสิ่งประจำใจอยู่เสมอมีความรู้อยู่เสมอเป็นของที่มีอยู่เสมอ ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเมื่อระมัดระวังทางจิตใจความอายมันก็เกิดขึ้นมาการพูดการกระทำอันใดที่ไม่ถูกต้องเราก็อายขึ้นอายขึ้นเมื่อความอายกำลังกล้าขึ้นมาความสังวนก็มากขึ้นด้วยเมื่อความสังวนมากขึ้น ความประมาทก็ไม่มีนี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นเราจะไปไหนก็ตามอันนี้มันอยู่ในจิตของตัวเองมันไม่ได้หนีไปไหนนี่ท่านว่าจเจริญสติทำให้มากจเจริญให้มาก อันนี้เป็นธรรมะคุ้มครองรักษากิจการที่เราทำอยู่หรือทรมาแล้วหรือกำลังจะกระทำอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นธรรมะที่มีคุณประโยชน์มากให้เรารู้ตัวอยู่ทุกเมื่อความเห็นผิดชอบมันก็มีอยู่ทุกเมื่อเมื่อความเห็นผิดชอบมีอยู่ เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อความละอายก็เกิดขึ้นจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อรวบยอดเข้ามามันจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือการสังวรสำรวม ที่มีอยู่ในกิจการของตนนั้นก็เรียกว่าศีลศีล ส, สังวรความตั้งใจมั่นอยู่ในความสังวรสำรวมในข้อวัดของเรานั้นก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิความรอบรู้ทั้งหลายในกิจการที่เรามีอยู่นั้นก็เรียกว่า ปัญญาพูดง่ายๆก็คือจะมีศีลจะมีสมาธิจะมีปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อมันกล้าขึ้นมามันก็คือมรรคนี่แหละหนทางทางอื่นไม่มี ถ้าเราเอาชนะตัวเองมันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ชนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโพดทับพะเป็นอันว่าชนะทั้งหมด